ากาบบูชาพระตนตรัยกล <c oughs> ่าบบูชาครูบาอาจารย์ตั้งแต่หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนขอกลากราบกระวะหลวงพ่อ <c oughs> กลมครูบาอาจารย์ <c oughs> พันเต <c oughs> เพื่อนสาธรรมิกเ <c oughs> จริญพรมายังไม่ชี <c oughs> แล้วก็ <c oughs> นักปฏิบัติธรรมทุกท่านเนาะ ก, ก็นั่งกันตามปกต <c oughs> ิวันนี้ก็เป็นวันอังคาร ที่ยี่สตุลาคมพุทธศักราช2557นหะตรงกับวันแรม13บสาค่ำเดือน11บนเะก็เป็นวันโกนเนาะผู้นี้ก็เป็นวันพระใหญ่อีกวันหนึง่งก็ผ่านการออกพรรษามาก็เกือบ2อาทิตย์นะพอดีก็วันนี้ก็เป็นวันที่สองนะของกลุ่มที่มาปฏิบัติธรรม ประจำเดือนแล้วก็หน่วยงานนะของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็เทศบาลนครนะ ข, ขอนแก่นนะแล้วก็มีผู้สนใจเนาะในการปฏิบัติธรรมก็มาอยู่วัดบ้างมาชั่วคราวบ้างแล้วนะก็มาร่วมกันนะมาฝึกฝนมาปฏิบัติ <c oughs> ในวันนี้จะขอพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากในโลกนี้เนาะสิ่งแรกเลยก็คือการที่เราเกิดมาเป็นคนเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ง่ายๆตามคำพีหรือว่าในหนังสือโบราณ น, นะก็พูดไว้เหมือนกันนะว่าการจะเกิดมาเป็นคนได้โอกาสที่จะเกิดเนี่ย ก็เปรียบเทียบเหมือนกับมีเต่าตาบอดนะอยู่ในในน้ำหรือในมหาสมุทรนะเต่าตาบอดเนี่ยร้อยปีนะร้อยปีเนี่ยจะโผล่ขึ้นมาพ้นน้ำครั้งหนึ่งแล้วในมหาสมุทรเนี่ยก็มีแอกนะที่ <c oughs> เป็นห่วงเป็นบ่วงนะ <c oughs> การจะเกิดมาเป็นคนได้เนี่ยเขาบอกว่าเมื่อใดก็ตามนะ ที่เต่าเนี่ยโผล่พ้นน้ำมาแล้วหัวเต่าตาบอดเนี่ยไปพอดีกับแอกคือไปโดนห่วงพอดีนั่นแหละจะเกิดมาเป็นคนเพราะนั้นโอกาสเนี่ยมันมันน้อยมากนะการเกิดมาเป็นคนเนี่ยโอกาสมันน้อยมากถ้ามาดูความรู้สมัยปัจจุบันนะเขาบอกว่าน้ำเชื้อของพ่อเนี่ยนะมีอสุจิประมาณ 2ล้านตัวโอกาสที่จะไปฝังในไข่ของแม่เนี่ยมันก็น้อยมากนะสองล้านตัวกว่าจะไปถึงกว่าจะไปเกิดการปฏิสนธิเนี่ยนะมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายๆนะเพราะนั้น <c oughs> การที่เราได้มาเกิดมาเป็นคนเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นเป็นโชคเป็นลาบอันประเสริฐนะเมื่อเราได้เกิดมาเป็นคนแล้ว นะซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากแล้วเนี่ยนะเราก็ต้องดูแลนะตัวเราเองให้ดีเกิดมาเป็นคนแล้วก็จริงนะแต่จะมีอายุยืนยาวนะตายไปตามอายุขไขนะซึ่งในปัจจุบันเราก็ประมาณสัก70ปี80ปนะีโดยเฉลี่ยนะอันนี้ตามข้อมูล <c oughs> ทางการแพทย์ทางกรมอนามัย นะบางคนเกิดมาก็ยังไม่ทันได้ออกมาก็ตายซะก่อนในคันนะหรือบางคนก็โดนทําแท้งนะโอกาสที่จะเกิดมาเโอ้ยมันยากจริงๆนะเกิดมาแล้วเนี่ย <c oughs> เป็นเด็กยังไม่ทันโตยังไม่ทันเป็นหนุ่มเป็นสาวเลยตายซะก่อนก็มีนะหรือบางทีเป็นหนุ่มเป็นสาวนะวัยคณองมากนะไป ขับมอเตไซ์บ้างไปอะไรบ้างก็ได้รับอุบัติเหตุนะหรืออย่างเนี่ยที่เราได้ยินข่าวที่เกาหลีใช่ไหมไปดูคอนเสิรต์ตตายกันไปสิบคนน่าเสียดายเหมือนกันนะเกิดมาแล้วเนี่ยนะโอกาสที่เราจะได้เติบโตขึ้นมาจนสิ้นชีวิตตามอายุขยเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันแต่เราได้มีชีวิตเรามานั่งอยู่ที่นี่นะก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่พิเศษและสาหรับเรา นะทีนี้อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ยากอันแรกนะก็คือการที่เกิดมาเนี่ยก็ยากการที่จะมีชีวิตอยู่มันก็ยากนะมันไม่ใช่ง่ายๆนะเมื่อเราเกิดมาแล้วเนี่ย <c oughs> โอกาสที่จะมาได้ยินสิ่งที่จะเป็นสาระประโยชน์นะที่จะทําให้ชีวิตของเราเนี่ยปลดเปลื้องปลดปล่อยนะไปจากความทุกข์ในใจเนี่ยก็เป็นเรื่องยากอีกนะอย่างฝรั่งสามคนเนี่ยถ้าไม่ได้มาประเทศไทยนะ ก็ไม่ได้ยินได้ฟังเขาคงคงได้ยินได้ฟังสิ่งที่เป็นเป็นสาระเป็นประโยชน์ในประเทศของเขานะแต่เราอยู่ในประเทศไทยนะเป็นเมืองพุทธศาสนานะได้รับฟังสิ่งที่เป็นสัจธรรมความจรงิงนะจาก <c oughs> ครูบาอาจารยนะ์แล้วก็อาจจะอ่านตหรับตำราบ้างนะได้ยินได้ฟังบ้างซึ่งเราเห็นได้ว่าในประเทศไทยเราเนี่ย มันก็มีสิ่งที่พูดกันเนี่ยมากมายนะบางที่บางแห่งก็ชักชวนไปในทางที่ดีบางที่บางแห่งก็ชักชวนไปในทางที่ไม่ค่อยดีโดยเฉพาะปัจจุบันนี้สิ่งแวดล้อมเนี่ยชักชวนให้เราเผลอให้เราหลงไหลนะให้เราลืมตัวเนี่ยสมากนะโดยเฉพาะสื่อสารมวลชนต่างๆนะไปดูโทรทัศน์ได้เลยรายการทุกรายการเนี่ยชวนให้เราหลงไหลหมดเลย นาการสแสดงน่าละครน่นดนตรีน่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเดี๋ยวนี้ดนตรีเนี่ยโอ้โหนะมันกระแทกกระทันมันชวนให้เราหลงไหลชวนให้เราลืมตัวได้มาก น, า น, นี่คือสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังเนี่ยเพราะนั้นโอกาสที่เราจะได้ยินสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่จะมาใช้ในในการที่จะแก้ไขปัญหาความทุกข์ในจิตใจเนี่ยมันน้อยมากหรือบางทีเราไปไปวัด ไปบางที่บางแห่งนะก็ชวนให้เรานะทำบุญให้ทานรักษาศีลเท่านั้นเองอ่นะซึ่งก็เป็นเรื่องดีนะไม่ใช่ไม่ดีนะนะเพียงแต่ว่า <c oughs> มันยังไม่ถึงที่สุดของมันนะมันยังไม่ได้รับประโยชน์สูงสุดนะจากการที่เราเกิดมานะทีนี้เรามาที่นี่เราได้ยินได้ฟังนอกจากเรื่องทานเรื่องศีลนะเราก็ทาภาวนานะภาวนาก็คือการพัฒนา พัฒนาจิตยกจิตให้สูงขึ้นนะสูงขึ้นจากอะไรนะจากความหลงความไม่รู้นะไม่รู้ในตัวไม่รู้ในกายในใจของตัวเอ ง, ลงหลงไหลไปในอารมณ์ไปในความคิดปรุงแต่งต่างๆนาะนาะเ น, นี่ยตรงนี้เขาบอกว่าคนเราเกิดมาเนี่ยนะไม่ใช่ว่าจะเป็นมนุษย์ทุกคนนะ คำว่าคนเนี่ยมันละคนปนเปกันไปหมดเราดูตัวเราก็ได้เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดีย uk, เด๋ยวดีใจเดี๋ยวเสียใจเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวโลภเดี๋ยวหลงเดี๋ยวใจดีมีเมตตานะเรียกว่าคนเนี่ยมันละคนปนกันไปหมดเพราะฉะนั้นคำว่าคนเนี่ยนะถือว่าละคนปนกันไปหมดแต่เมื่อใดที่เรายกจิตขึ้นสูงนะจากความอยากนะ่ะความโกรธความโลภความหลงนะอันนี้จึงเรียกว่าเป็นมนุษย์ นะท่านอาจารย์พุทธทาสไว้พูดพูดไว้ดีเหมือนกันนะท่านบอกว่ามนุษย์เนี่ยมาจากคําว่ามโนมณะมณ์มณนะ์มนะมคือใจนะบวกกับอุศยะอุศยะก็คือสูงนะยกสูงตกใจให้สูงนะเป็นมนุษย์นะเป็นได้เพราะใจสูงนะเหมือนหนึ่งหนึ่งยงูมีดีที่แววขนนะถ้าเป็นได้ใจต่ําก็เป็นเพียงแค่คนนั้นเอง นะถ้าเรายกใจสูงขึ้นมันก็จะเป็นมนุษย์นตเพราะนั้นเมื่อเราเกิดมาเป็นคนแล้วนะถ้าเราไม่ได้ฝึกฝนไม่ได้อบรมตัวเองไม่ได้ยินได้ฟังสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่จะยกจิตยกใจของเราก็นะเราเป็นเพียงแค่คนเท่านั้นเองแตเพราะนั้นสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังเนี่ยมันก็มีหลากหลายเราก็ต้องเลือกคนะัดสรรเอาสิ่งที่มาเป็นประโยชน์เมื่อได้ยินได้ฟังแล้วเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ยากที่อันที่2 อันแรกคือการเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ยากแล้วนะอันที่สองได้ยินได้ฟังสิ่งที่เป็นสารประโยชน์ก็ยากนะนะที่จะตรงเข้าไปสู่การปฏิบัติเลยเนี่ยนะมันก็เป็นเรื่องยากบางทีก็พาชวนเราไปสวรรค์บ้างนะทำบุญไปสวรรค์นะบางทีก็ขู่ให้เรากลัวตกนรกนะเอออันนี้เป็นสิ่งที่เราได้ประสบพบเห็นอยู่นะ <c oughs> แต่ว่าสิ่งที่จะทำให้เราเข้าไปถึงจิตถึงใจ ให้ปลดปล่อยนะกิเลสตัณหาอุปาทานเนี่ยมีค่อนข้างน้อยมากนะอันนี้ก็เป็นสิ่งยากที่สองอันที่สามก็คือได้ยินได้ฟังแล้วน้อมนำมาปฏิบัตินะตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ยากเพราะบางคนเนี่ยได้ยินได้ฟังชอบนะฟังธรรมะชอบโอ้โหดีมากเลยพูดดีนะอาจารย์ลูกนั้นพูดดีอาจารย์รูปนี้พูดดีแต่ฟังแล้วก็ไม่ได้ไปทำนะอย่าง ที่วัดแล้วเนี่ยเดี๋ยวฟังเสร็จเออไม่ทําละกลับไปนอนอย่างนี้ก็เสียประโยชน์ไปนะก็เป็นสิ่งที่ยากยากเพราะอะไรมันฝืนกับความเคยชินหรือฝืนกับก <c oughs> ิเลสนะตัณหาอุปทานนะโดยเฉพาะยิ่งความสบายนะบางคนรักสบายนะกลัวความลำบากการปฏิบัตินี่มันต้องฝืนนะมันต้องทวนกระแส นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อวานนี้นะกลุ่มที่มาปฏิบัติเนี่ยคงได้ประสบาการณ์ตรงนี้อย่างมากเลยนะมาปฏิบัติเนี่แหมนึกว่ามันจะมาแล้วก็สงบเย็นสบายนะไม่ใช่เลยนะง่วงนอนหน้าดูเลยเบื่อก็เบือเบ่อฟุ้งซ่านขนาดหนักเลยนะแต่พวกเราก็สามารถที่จะผ่านมันมาได้นะบางคนง่วงนอนก็พยายามฟื้นนะลืมตาขึ้นมา นั่งอยู่มันง่วงก็ลุกเดินนะบางคนนั่งสร้างจังหวะช้าๆทําให้มันเร็วขึ้ น, นปลุกตัวเองขึ้นมานอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องฝืนต้องทวนกระแสะกระแสความเคยชินเก่า ๆ, ๆเพราะฉะนั้น <c oughs> ตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ยากนะเพราะว่าเป็นเรื่องที่ต้องทวนกระแสเหมือนกั น, นทวนความเคยชินเก่า ๆ, ๆเราเคยอยู่ที่บ้านตื่นติตื่นเจ็ดโมงแปดโมง มาที่นี่ตื่นตีนสามโ อ, โอแทบแย่เลยเมื่อวานนะ ว, วันนี้ก็คงช่ออ ย, ย่างชั่วแล้วละ่ะนะเพราะมันปรับตัวปรับใจได้เนาะแล้วมาอยู่ที่นี่เนี่ยโห อ, อาจารย์เล่นให้ฝึกทั้งวันเลยนะเราไปฝึกที่อื่นเนี่ยเขามีนะออตอนแรกเนี่ยสักครึ่งชั่วโมงนะพักเบรกสักสิบนาทีอ่หรือบางทีก็ฝึกหนึ่งชั่วโมงนะพักเบรกหน่อยนะจิบกาแฟกันนิดโอนติงกันหน่อยที่นี่ไม่มีเลยนะ เมื่อวานเจออยู่สองคนโอ้โหติด ก, กาแฟมากอาจารย์หนูแทบตายนะทําไงดีเนี่ยก็บอกเออ น, น, นั่นเราเป็นทาตมาแล้วเป็นทาตกาแฟเพรวันนั้นมาที่นี่เนี่ยปลดปล่อยอิสระใช่ไหมจะได้ไม่เป็นทาตของกาแฟนะคือเราเราไม่ไปไม่ไปนิพพานด้วยกาแฟนะปลุกตัวเองด้วยกาแฟนะให้มันตื่นแต่เราปลุกด้วยก่ารทาความรู้สึกตัว ให้มันตื่นตัวขึ้นมาซึ่งตรงนี้เนี่ยสิ่งที่เราทำนะจะเป็นการเดินจงกรมสร้างจังหวะก็ดีอันนี้เราปลุกตัวเราเองไม่ต้องไปอาศัยกาแฟไม่ต้องไว้อาศัยวัตถุข้างนอกเลยนะตรงนี้มันจะตื่นขึ้นนะเราก็สามารถที่จะทวนกระแสความง่วงความเบือ่อความง่วงมันก็ไม่ใช่ง่วงตลอดเวลานะมันมาแล้วมันก็ไปความเบื่อมันก็มาแล้วมันก็ไป ความฟุ้งซ่านมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นตลอดเวลาเดี๋ยวมาก็ไปนะสิ่งเหล่านี้เนี่ย <c oughs> เป็นสิ่งที่มาให้เราเรียนรู้นะเป็นแบบฝึกหัดนะให้เราฝึกฝนให้เราทวนกระแสเพื่อให้จิตใจเนี่ยมันรู้เท่ารู้ทันมันจะเกิดกําลังใจขึ้นมาเราออกกําลังกายเราเหนื่อยแต่เราได้กําลังนาะกําลังออกมานาะแต่ การฝึกเจริญสติเนี่ยถ้าเราทวนกระแสเราก็จะได้กำลังใจมันก็จะเข้มแข็งมันก็จะอดทนนะโดยที่เราไม่รู้ตัวนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วได้ยินสิ่งที่เป็นสารประโยชน์เป็นแนวทางในการปฏิบัติแล้วก็เอาไปปฏิบัติและปฏิบัติแล้วเนี่ย <c oughs> มันก็มีเหมือนกันบางทีปฏิบัติถูกก็มีไม่ถูกก็มีไม่เป็นไรนะเราไม่ถูกเราจะได้ถูกเราจะได้รู้ บางทีมันหลงไปบ้างนะบางทียกมือเนี่ยก็ยกไปอย่างนั้นแหละแต่ใจมันก็คิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้นะมันเผลอไปมันหลงไปไม่เป็นไรเมื่อเรารู้ตัวเมื่อไหร่กลับมาทันทีนะใหม่ๆเนี่ยมันก็รู้ตัวช้าหน่อยเพราะว่ามันเคยชินที่จะคิดแต่เมื่อรู้รู้เมื่อไหร่กลับมาทันทีเลยนะพยายามกลับมาให้เร็วเผลอปุ๊บกลับมารู้การเคลื่อนไหวปั๊บ จะเป็นการเดินเป็นการสร้างจังหวะก็ดีนะกลับมารู้สึกตัวให้ได้บ่อยๆให้เป็นความรู้สึกสดๆทีละขณะทีละขณะความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นความรู้สึกตัวทีละขณะพลิกมือก็รู้ยกมือก็รู้หยุดก็รู้มีเคลื่อนมีหยุดนะอย่าไปเคลื่อนโดยไม่หยุดเลยนะถ้าเคลื่อนโดยไม่หยุดเลยเนี่ยบางทีมันเป็นอัตโนมัต นะมันจะเผลอมันจะพลามันจะไม่ชัดเพราะนั้นทาไปทำไ ป, ำไปมันรู้สึกพราพราไม่เคยชัดเบลอเบเราก็หยุดสักนิดหนึ่งนะ้วก็เริ่มต้นใหม่นะจะเป็นเดินจงกรมก็ดีสร้างจังหวะ ก, ก็ดนะีเอาให้มันชัดชัดใหม่ๆเนี่ยให้เจตนาเลยเจตนาที่จะรู้สึกตัวอย่าไปยกแบบอัตโนมัติยกไปอย่างนั้นเองแหละ แต่ใจมันก็คิดหรือมีบางคนเดินจองกรมจับคู่คุยกันก็มีเมื่อวานดูแล้วโอ้น oh, ะน่าเสียดายเดินไปคุยไปเดินไปคุยไปมันไม่รู้ตัวนะอันนี้มันของละเอียดนะทําเป็นเล่นไปนะเพราะฉะนั้น <c oughs> พยายามปลีกวิเวกปลีกวิเวก ค, คือตัวใข่ตัวมันตัวไข่ตัวมันปิดวาจาเพื่อภาวนานะใช้ เออเตมีใบเลยนะซึ่งอาจจะแปลกสักนิดหนึ่งบางคนอาจจะไม่คุ้นโอ้โหอึดอัดบางคนคุยเก่งชอบคุยนะขนาดอยู่ข้างบนก็คุยนะแต่มาให้ลงไปข้างล่างไปข้างล่างก็ไปคุยต่อ อ, อีกโอนะอันนี้เสียเวลาแล้วแหละนะมาที่นี่เนี่ยเพราะนั้นให้เวลาให้โอกาสกับตัวเองนะที่จะเรียนรู้นะเข้าไปกายในกายในใจของเราต้องอาศัยการปลีกวิเวกนะ มันจึงจะเกิดผลถ้าเราทำไปแล้วมันเบื่อหาเรื่องคุยแล้วนะไปตีคู่จับคู่คุยแล้วนั่นนะ่ะกิเลสมันพาไปแล้วนะมันไม่รู้ตัวแล้วเพราะฉะนั้นหักห้ามใจไว้บ้างนะถ้ารู้สึ ก, กว่าเบื่อเผชิญหน้ากับมันเลยดูมันเลยไอความเบื่อความเซ็งนะสิ่งเหล่านี้ย มันจะถอยเลยนะมันจะไม่ซู้เลยถ้าใจเราแข็งพอเราอดทนพอเราไม่ยอมมันนะแต่ถ้าเรายอมมันเนี่ยเราก็ต้องเป็นทาสมันตลอดไปใช้ความรู้สึกตัวใช้สติใช้ขันตินะใช้ความสำรวมระวังนะแล้วก็ในการหักห้ามใจนะที่จะไม่ทำอะไรไปตามความเคยชินนะเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ทำให้การปฏิบัติของเราเจริญก้าวหน้านะไม่ท้อถอยแม้ว่า เราจะมีเวลาไม่มากนะบางคนมาสมวันบางคนมาห้าวันบางคนมาเจดวันหรือบางคนอยู่ที่นี่ไม่มีกำหนดอยู่ไปเรื่อยๆนะอย่างพระที่มาบวชนะหรือว่าโยมที่มาอยู่วัดประจำนะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราก็จะใช้เวลาเนี่ยนะได้ยินได้ฟังแล้วสิ่งที่เป็นแนวทางครูบาอาจารย์นั้นพูดเอาไว้นะแล้วเราก็มาปฏิบัตินะเราอย่าฟังเฉยๆ ฟังหูซ้ายทะลุหูขวาชื่นใจดีใจพอใจในการฟังแต่ไม่เอาไปปฏิบัติมันก็ไม่เกิดผลนะเมื่อปฏิบัติแล้วสิ่งที่ยาก อ, กอีกอันหนึ่งก็คือว่าปฏิบัติแล้วมันเกิดผลขึ้นมาซึ่งถ้าทําถูกเนี่ยมันไม่ยากนะแต่ว่าถ้าทําไม่ถูกมันก็ยากนิดหนึ่งนะตรงนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วมันเป็นสิ่งที่ยากนะ แต่อย่างไรก็ตามนะ <c oughs> สิ่งที่ยากเนี่ยมันไม่ยากเกินกว่าที่เราจะทำได้มันไม่เหลือวิสัยนาะของพวกเราทุกคนที่ได้มาอยู่ที่นี่โอกาสที่เรามาที่วัดป่าสุโกโตเนี่ยนะที่มันจะเป็นไปได้เนี่ยมันก็มันก็ยากเหมือนกันนะแต่เรามาแล้วเนี่ยนะก็ให้ใช้เวลาเนี่ยสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวเองสูงสุดเป็นประโยชน์สูงสุดในพุทธศาสนา เาเรียกว่าประโยชน์เพื่อ <played> ท <foreign theory> ี่เข้าใจความไม่ท <key ao imas> ุก <ram> ข <treating> ์นะหรือภาษาบาลีเขาเรียกว่านิพพานนั่นเองนิพพานในบางทีเราก็ไปพูดเป็นคำที่สูงทรงะจริงๆก็คือการที่เราปลดปล่อยความทุกข์หรือว่าปล่อยวางกิเลสตัณหาอุปทานได้แต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่าแม้มันจะปุ๊บนิพพานเลยนะนิพพานน้อย ท่านอาจารย์พุทธาบอกนิพพานน้อยนะก็คือเราที่เรามาอยู่ที่นี่เราปฏิบัตินะจิตใจเราก็รู้สึกตัวนะเป็นปกติเฉยๆนะเจอใจปกติบ่อยๆอันะนี้ก็คือนิพพานน้อยเนะมื่อนิพพานน้อยบ่อยๆมันก็เกิดความเคยชินนะเราก็จะสามารถที่จะเข้าถึงความเป็นปกตินะที่จะเป็นนิพพานถาวรไดนะ้ซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ครูบาอาจารย์ อาจจะเป็นท่านอาจารย์พุทธทาตก็ดีนะหรือจะเป็นหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนย้อนหลังไปถึงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็พูดไว้ชัดในเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีอยู่จริงๆท่านได้พบจริงๆนะแล้วท่านก็เอามาบอกเอามาสอนเอามาพูดให้เราฟังเอามาท้าทายนะให้เราเข้าไปพิสูจน์แล้วเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับ เ, เพศ นะไม่ไม่เกี่ยวกับว่าเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายไม่เกี่ยวกับว่าจะเป็นพระเป็นชีหรือจะเป็นโยมนะเป็นได้ทุกคนนะโอกาสที่จะเข้าใจถ้าเรามีความเพียรมีความพยายามทำให้ถูกต้องและมีความต่อเนื่องนะก็น่าที่จะเกิดผลขึ้นมาไดนะ้ซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่เราน่าจะพิสูจน์เพราะนั้น <c oughs> เราเกิดเป็นมนุษย์ก็ยากแล้ว ได้ยินได้ฟังก็ยากแล้วได้มาปฏิบัติก็ยากแล้วปฏิบัติถูกก็ยากแล้วเพราะฉะนั้นเรามาอยู่ที่นี่เรามีครบหมดแล้วเราจะลงมือทำหรือไม่เท่านั้นเองทำสิ่งที่ยากให้มันเกิดผลขึ้นมาแล้วมันก็จะเป็นความภูมิใจนะในสิ่งที่ยากนะเพราะงั้นความยากความง่ายเนี่ย <c oughs> เราไม่ต้องไปสนใจมันนะทิ้งไปเลย เราเลุยไปรูปเดียวเลยใช้ความเพียร น, นะอย่างจา ก, กี้นี้ที่เราได้บทสวดธรรมะป่าหังอันนี้พูดถึงเรื่องความเพียรโดยเฉพาะเลยนะให้เรามีความเพียร น, นะพุทธเจ้าได้ค้นพบมาแล้วความจริงแนวทางวิถีทางที่จะเดินก็คือการเจริญสตินะโดยเฉพาะมหาสติปัฏฐานสูตรนะหมวดกายเวทนาจิตธรรมในสี่หมวดเนี่ยเราเริ่มต้นที่กายก่อน เดี๋ยวเวทนาจิตธรรมมันจะเห็นเองเพราะนั้น <c oughs> ให้เราทำบ่อยๆให้เราใช้เวลากับเรื่องนี้เต็มที่นะโดยเฉพาะในรูปแบบนะการเดินจงกรมการสร้างจังหวะนะจะเห็นว่ากลุ <c oughs> ่มที่มาฝึกประจำเดือนก็ดีกลุ่มที่มาปฏิบัติเป็นรูปแบบ7วันเนี่ยนะท่านอาจารย์ทรงศิลป์ก็พยายามให้พวกเราเนี่ยได้มีเวลากับการฝึกเต็มที่นะท่านเรียกว่ากรรมาฐานปฏิบัติการนะ ไม่ใช่กรรมาฐานวิชาการกรรมาฐานวิชาการคือเราฟังนะแล้วไม่ปฏิบัติแต่กรรมาฐานปฏิบัติก็คือลงมือปฏิบัติแล้วทำด้วยตัวเราเองไม่ต้องไปรอเอ๊ะอาจารย์มาหรื อ, อยังนะอาจารย์คอยมาดูแลหรือเปล่าเราดูแลตัวเราเองเราพึ่งตัวเราเองเลยนะอันนี้มันจะได้ติดตัวไปเราตั้งแต่ตื่นนอนนะจนเข้านอนนะอ น, นี้ในรูปแบบนะ ทีนี้อีกอันหนึ่งที่เห็นชัดก็คือพอฝ <c oughs> ึกในรูปแบบแล้วเนี่ยมันไม่พอนะเราต้องฝึกนอกรูปแบบก็คือในชีวิตประจำวันจริงๆงั้งแต่ตื่นนอนเลยเมื่อเช้าใครตื่นมาแล้วรู้สึกตัวบ้งางนะรืบตื่นมารีบลุกเลยนะตื่นมาแล้วหายใจเข้ารู้สึกหายใจออกรู้สึกลรบทิกมือเล่นนะบนที่นอนนะ ไ่เคยลืมตาขึ้นมานะแล้วก็ลุกขึ้นมาด้วยความรู้สึกตัวไม่หุนหันพลันแล่นโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ยถ้ารีบลุกขึ้นมาเนี่ยบางทีมันความดันนะมันอาจจะทําให้เกิดปัญหาได้เพราะะฉนั้นเราลุกขึ้นมาด้วยความรู้สึกตัวนะพับผ้าหม่มเก็บหมอนเก็บนุง่งเก็บที่นอนให้เรียบร้อยนะด้วยความรู้สึกตัวนะอันนี้เราก็ ฝึกได้นะทำได้กับสิ่งที่เรามีอยู่ในชีวิตประจำวันลุกขึ้นจากที่นอนนะไปล้างหน้านะไปสัมผัสกับความเย็นด้วยความรู้สึกตัวบางทีมันมีคิดแว บ, บๆขึ้นมาผออาจจะคิดถึงโอ้โหเมื่อวานเบื่อจริงเลยแล้ววันนี้จะไหวหรือเปล่าเนี่ยเออมันก็มีความคิดแว บ, บๆขึ้นมานะทิ้งไปเลยนะกลับมาอยู่ที่มือล้างหน้าเนี่ยเย็นๆนะ สัมผัสกับน้ําที่เยน็นะล้างหน้าล้างตาล้างจี่หูขี้ตาให้เรียบร้อยนะแปลงฟันด้วยความรู้สึกตัว เ, ออเคยไหมแปลงฟันด้วยความรู้สึกตัวแต่ก่อนเราแปลงฟันเนี่ยเราก็คิดโน่นคิดนี่คิดนั่ค น, ค, น, ค, นคิดวางแผนไปนะโดยเฉพาะคนทํางานนะแต่ทีนี้เรามาแปลงฟันเนี่ยแปลงฟันเพื่อการแปลงฟันจริงๆก็คือใจเนี่ยเราอยู่กับการแปลงฟันการเคลื่อนขยับมือเนี่ย อันนี้ก็เป็นการเจริญสติกับการแปลงฟันเห็น ไ, ไหมเราก็ฝึกได้ทําได้เข้าห้องน้ำอุจจาระปัสสาวะด้วยความรู้สึกตัวเมื่อวานอย่างท่านอาจารย์ทองศิลป์พูดนะนาบางคนท้องผูกนะโอ้ถ่ายไม่ออกนะนะบิดมอเตอร์ไซค์เลยนะเออตรงนี้บางทีมันเป็นลิสต์ดวงเอาง่ายๆเพระาะฉะนั้นก็ถ่ายอุจจาระด้วยความรู้สึกตัวนะมีความรู้สึกตัวกับการถ่ายอุจจาระปัสสาวะ นะเมื่อถ่ายเรียบร้อยก็ทําความสะอาดนะให้เรียบร้อยนี่ก็เป็นสตินะหรือบางคนเปิดน้ําทิ้งไว้นะลืมปิดอ่ะนั่นก็ไม่มีสติแล้วเมื่อวานก็มีห้องน้ําชายแถวเนี้ยนะโอ้โหน้ําท่วมเลยนะแต่ามามาปิดให้สองครั้งอันนี้ก็ไม่มีสติเราเปิดทิ้งไว้อ่ะนะเพราะนั้นเนี่ยเล็กๆในล อ, อยเนี่ยเราก็ฝึกสตินะกับการใช้นะสิ่งต่างๆ นะอุจาระประสะัสสาวะเรียบร้อยอ่ะก็มานุ่งห่มใส่เสื้อผ้าด้วยความรู้สึกตัวนะทําอะไรช้านิดนึงแต่ว่ามีความรู้สึกตัวไม่ได้ทําไปแล้วใจลอยไปคิดไปเรื่องนูน้นเรื่องนี้มันคิดคิดไปไม่ห้ามนะความคิดเนี่ยแต่ไม่ตามมันกลับมารู้สึกตัวกลับมาอยู่สิ่งที่กลับมาอยู่กับสิ่งที่ทําอยู่เฉพาะหน้านะก็คือกายอยู่ไหนใจยอยู่นั่นนะไม่ใช่กายอยู่นี่ใจยอยู่บ้านนะ อันนี้ก็คือมีสติมีสติกับการนุ่งหม่มเดินมาที่ศาลาด้วยความรู้สึกตัวเราไม่เดินมาคุยกันมาให้ใ ห, ใ ห, ใหไม่ใช่เดินมาสองไฟฉายดูระมัดระวังเดี๋ยวจะไปเหยียบสัตว์อะไรบ้างนะโดยเฉพาะถ้าเป็นหน้าฝนเนี่ยพวกพวกหอยพวกอะไรเนี่ยมันจะออกมากินบางทีเราไม่รู้เราเหยียบไปเลยโอ้นะเราก็ไม่รู้นะบางทีไปเหยียบสัตว์พวกแมงป่องพวกตะขาบนะ อันนี้ก็ต้องระวังก็เดินด้วยความรู้สึกตัวนะมาที่นี่นะระหว่างที่นั่งรอเราก็นั่งสร้างจังหวะนะสวดมนด้วยความรู้สึกตัวตอนสวดมนเราสังเกตไหมเราติดตามบทสวดมนเราเข้าใจหรือ ว, ว่าสวดไปงั้นแหละแต่ใจก็คิดเรื่องนู้นเรื่องนี้อ่า น, นก็ไม่มีความรู้สึกตัวละนะเนี่ยการสวดมนก็เป็นการเจริญสติได้เหมือนกันนะเดี๋ยวเราไป <c oughs> ตอนเช้าเราไปกินข้าวไปตักข้าวก็ประมาณในการบริโภคกะว่าขนาดไหนพอเหมาะพอดีเราไม่ตักให้เหลือนะบางคนตักแล้วเหลือเหลือแล้วไปให้ใครเอาไปให้หมาเอาไปเลี้ยงหมาอีกนะอันนี้เป็นปัญหาขึ้นมาในวัดเราตอนนี้นะหมาในตอนนี้โอ้โหออกมานะสองครอกมั้งนะตอนนี้ก็มาเห่ากันบ้างอะไรบ้างเนะี่ยก็คือไม่ประมาณนะถ้าเราตักแล้วกินพอดีพอดีนี่ก็เป็นสติเหมือนกัน หนะรือขณนะที่ตักเนี่ยไม่ตักไปคุยไปน้ําลายมันก็ตกไปในอาหารโดยที่ไม่รู้ตัวนะหรือตักไปก็กละมังลงเล้งลงเล้ ง, ลงเสียงดังเลยนะั่นนะคือไม่มีสติผู้มีสติเนี่ยก็จะสำรวมระวังทําอะไรก็ไม่เสียงดังนะไม่ใช่ที่ตลาดไม่ใช่โรงอาหารนะตักมาก็มานั่งรับประทานกันหรือบางทีก็เรียกว่าฉันนะฉันก็มีสติในการเคี้ยว ในการลิ้มรสนะบางทีถ้าเราไม่มีสติบางทีเราไปกัดลิ้นตัวเองก็มีกัดปากตัวเองก็มีนะอันเนี้ยแล้วบางทีมันทําให้อาหารไม่ย่อยนะเพราะว่าเราเคี้ยวแล้วเรารีบเกินนะเพราะฉะนั้นการกินเนี่ยก็เจริญสติได้เหมือนกันเคี้ยวให้ละเอียดนะลิ้มรสอาหารทุกอย่างผู้มีสติแม้ข้าวเปล่าเนี่ยก็ลิ้มรสได้มันมีรสหวานในอ่อนๆอยู่นะตรงเนี้ย ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะฝึกได้เพราะฉะนั้น <c oughs> นอกจากการกินนอกจากการเดินนอกจากการใช้ชีวิตอาเ น, นี้เรียกว่าเก็บตกนะเขาเรียกว่าการเจริญสตินอกรูปแบบซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะไปตรงกับที่ท่านอาจารย์ไพศาล เ, เคยไปถามหลวงพ่อเทียนว่าไอ้เจริญสติเนี่ยนะมันจะต้องทํากี่โมงเลิกกี่โมงหลวงพ่อเทียนบอกทําตั้งแต่เช้าตื่นนอนจนเข้านอนเลยโอ้โห ตืนนอนจนเข้านอนหมายก็ว่านั่งซังจังหวะตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอนเลยเหรอือไม่ใช่หมายถึงว่าในรูปแบบเราก็ทํานอกรูปแบบเราก็ทำในกิจวัตรประจําวันก็ทําจะกินจะดื่มจะเคี้ยวจะลิ้มจะลดจะเข้าห้องน้ําำจะปิดประตูห้องน้ําจะเปิดน้ําำเปิดไฟอะไรต่างๆให้มีสติให้มีความรู้สึกตัวกับสิ่งที่ทําอยู่เฉพาะหน้าเฉพาะหน้าตรงนั้น แรกๆมันก็จะอึดอัดนิดหน่อยเพราะว่าเราไม่เคยแต่เราทําไปทําไปสักสามวันหวันเจวันเดี๋ยวมันเคยชินเองเดี๋ยวมันติดนิสัยกลับไปใช้ที่บ้านนะติดนิสัยกลับไปใช้ในที่ทํางานซึ่งตรงเนี้มันจะทําให้เราได้สัมผัส <c oughs> กับความสุขที่ประนีตนะก็เรียกว่าสันติสุขในใจเกิด ค, ความเป็นปกติของใจความที่ใจมันเฉยๆมันปกติ ความว่าเฉยๆเนี่ยส่วนใหญ่คนไม่ค่อยชอบเราชอบสุขสุขทุกทุกสนุกสนานนะเปรียบเทียบเหมือนกับว่าเวลาเรากระหายน้ําเนี่ยหลายคนชอบน้ําชาเขียวบ้างชอบน้ําหวานบ้างน้ําเปรี้ยวบ้างแต่น้ําจืดเนี่ยเราไม่ค่อยชอบแต่จริงๆไม่ว่าคุณจะกินเปรี้ยวกินหวานกินเผ็ดอะไรก็ตามมาจบที่น้ําจืดเสมอ เพราะนั้นอารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์สนุกสนานเนี่ยมันจะมาจบที่อารมณ์จืดจืดก็คือใจที่ปกตินั่นเองนะเพราะนั้นที่เรามาฝึกกันเนี่ยสัมผัสไอ้ใจจืดจืดใจเฉยเฉ ย, เฉยเนี่ยบ่อยๆไอ้ตัวนี้แหละเป็นความสุขที่ประณีตที่เขาบอกว่าคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยนิยมไม่ค่อยชมชอบเพราะรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรมันมันธรรมดาเกินไปนะยิงยิงธรรมะเนี่ยมันก็คือธรรมดาธรรมดานี่แหละ นะฮะนระนานี้แหละเป็นสิ่งที่เราได้ทาสิ่งที่ยากให้กับชีวิตนะได้เกิดเป็นคนได้มาได้ยินได้ฟังมาได้ฝึกแล้วก็ได้รับผลของการปฏิบัติตรงนี้แหละนะเป็นสิ่งที่เราน่าจะได้กระทำนะได้ใช้ความเพียรใช้ความพยายามใช้เวลาที่มีอยู่กับเรื่องนี้ให้ดีที่สุดให้มากที่สุดนะ หลงแล้วเผอแล้วกลับมาเริ่มต้นใหม่เรื่อยไปนะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากพวกเราเอาไปพิจารณาในการที่จะใช้ชีวิตนะในต่อไปนะอาไนในท้ายที่สุดนี้นะก็ขออ้างเองเอากุลของภะษีรัตนไตรนะก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ <c oughs> พระพุทธก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็คือสติสัมปชัญญะ หรือสติปัญญาที่มีอยู่ในตัวเราเพราะนั้นพระพุทธมีอยู่ในตัวเราแล้วพระธรรมคือสัจธรรมความจรงิงนะสิ่งที่แสดงที่ปรากฏทั้งภายในตัวเราทั้งภายนอกตัวเราให้เห็นมันนะให้รู้มันให้เท่าตันมันแล้วไม่ไปหลงนะก็เป็นสัจธรรมความจริงที่ปรากฏนะและพระสงฆ์ก็คือการประพฤติปฏิบัติการเจริญสตินะที่เราได้ทำ นะพราะนั้นพระรัตนตรัยเนี่ยมีอยู่ในตัวเราแล้วนะก็ขอให้พระรัตนตรัยที่มีอยู่ในตัวเรานะด้วยความเพียรความพยายามความอดทนของพวกเราทุกคนนะขอยได้รับผลจากการปฏิบัติสมควรแก่ธรรมที่ปฏิบัติโดยทั่วหน้ากันเทินเจริญพร